พฤติกรรมมาหนึ่งหรือมนต์แขนงหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นอย่างอื่นใดก็ตามที่เรียกวันะเมตตานะเมตตาหรือลงณะเมตต า, นะตาบางบางคนก็ใช้วิธีการเสดน้ำล้างหน้าตอนเช้าเวลาล้างหน้าก็ตัดน้ำขึ้นมาแล้วก็เสดโดยกะระถาอจจะเป็นนะโมพูทายะหรือจะเป็นกระถาอื่นก็ตามนะฮะที่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 แต่ว่าบางเงินแวะไปคุยกับาแล้ ว, วลลท่านเป็นกลางกลางอย่างเช่นหลวงพ่อแหลมีวัดวัดหนึ่งอยู่ในเมืองเพชรบุรีมีคนขึ้นมาเยอะเข้าแวะไปก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้มาก่อนไปถึงก็ก็เคพบว่าท่านเป็นท่าท่างตลงางต่งางท่เครื่องร่างวัตถุมงคลต่งตางๆมากก็ท่านก็มีเมตตาดีไปถึงท่านก็เติมมาเติมโดยเอา เิตจอแป้งแล้วก็เจอไม่ทีห่ห้าผากก็ไม่รู้สึกว่าหนทําให้เราดีขึ้นเรือ่อยๆนะฮะกานั่นท่านบอกว่าเจอไม่ตาทําให้เ ก, มมกิดไม่ตาเราพิสูจน์ไมได้แล้วก็ไม่ได้เลยก็จะเกิดได้ขึ้นบางบางทีก็อาจจะใช้วิธีการอย่างอื่บางทีก็ใช้คาถาเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ เติมน่าเมตตาบางคนก็ต้องใจจะพูดเจรจาได้รับความสําเร็จก็เอาที่พุ่งดุจมือพึ่งเจตคาถาเจตเองก็ได้ตามวิชาทางนี้นะครับฝ่ายดีพิปักษเวลาไปพูดเจรจากระใส่ก็คําพูดก็มีเสน่ห์ทำให้เกิดความสําเร็จความร่มไม้รมมือแระไส้นับถือตามที่เขาว่าก็ทํำเรื่องละพัดถามนี้ให้บางคนที่มีวิสัยที่ชู ก็อาจจะมุงในทางเชือชีพคื อ, อลงหน้าเมตตาแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ของคนโดดูนะซึ่งผมเองก็ไม่เคยตรงนี้นะโวยก่อนแต่ว่าเคยเจอคนที่เขาลงหน้าเมตตาแล้วก็ประหลาดมีความรู้สึกว่าเขามีพลังทางนี้จริง สิ่งเกิดได้หลายค้ที่เวลาเขาไปไหนมามนมากักจะมีคนมาตงๆๆึงนตึงๆนะหมายถึงเกิตรงข้ามในลักษณะในตื่นหรือสาวเนี่ยให้เห็นกันตาเขาบอกเข า, เขาลงนันเมตตา ม, มาแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปไปที่หนึ่งที่สป็นพกที่เขาเล่นทางสมาธิเขาก็มองไปที่น้าผากเขาบอกว่าเออไอ้ไอ้ไกระแตเมตตาที่ลงไว้เนี่ยมันออกมาเป็นประ ก, กาย กายยังมาผักพ อ, ออกมาผมก็ถามมาจริงเลยนะบอกจริงเขาเคยลงนะในตาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มทั้จากป่ามีารนะจากพวกราจากกลางกลางแต่ว่าชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขชีวิตเขาก็ามวัวยุ่งไปแต่อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ต้องการจะมาบอกว่าให้ทําไปลงนในตาหรือผมไม่ต้องการจะมา ก็จะดีใจชวนให้จันทรนุปน่าเมตตาแบบนี้เพราะว่าอน่เมตตาแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะมันเป็นเรื่องของกานที่เมื่อกระทรํางไปแล้วก็มักจะใช้เป็นเครื่องมือในการทําบาปในลักษณะอย่างใดหรือใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะไปเพื่อทำม า, าคา้คาขายหรือเพื่ออะไรก็ตามนะมันเป็นผลที่ออกมาแล้วก็เป็นผลร้ายเป็นผลในทางทําญายแก่ตัวเองในที่สุด ทำลายไปเลยแล้ก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณน่เมตตาจริงๆในแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่ซึ่งเราก็รู้ว่าใน ก, การแผ่เมตตาแต่ตรงนี้ทางาศาสนาตัดสินคำว่าการแผ่เมตตาไม่ใช่การลงเมตตานะมันอาจจะแยกกันอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นการลงเมตตาเนี่ย มันหมายถึงการมุ่งที่จะทำให้คนอื่นเขารักตัวแต่ตัวเองนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดที่จะรักคนอื่นไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องรับผิดชอบว่าเราได้ห้อะไรแก่เขาก็คือหลงที่ตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นคนอก็มีหน้าหน้าที่รักตัวตัวก็มีหน้าที่เอาลัดเอาปลีกดใช้ความรักของคนอื่นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเพประการต่าง องค์ศาสนาเนี่ยเป็นที่เป็นนเัเบตามันกับเริ่มที่การที่เราทําตัวของเราให้เป็นผู้รักคนอื่นนะแล้วก็ทําให้คนอื่นรักตัวจากความรักของตัวทําให้คนอื่นดีกับตัวจากความดีของตัวคือเพ่งมาที่ตัวเองนะเพ่งมาในแง่ของการให้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 ให้กับเวลาตัดเชื่องเชื่องในเมตตาของท่านเข้ามาอยู่ใกล้ท่านท่านก็สามารถช่วยเหลือตัดได้จำนวนอย่างนี้นะะไม่กลัวหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ใส่เมตตาไปให้สเสียหนสิกก็เกิดความรู้สึกว่าต้องอยู่ในกระแสเมตตา ก, ก็ท่านก็คงก็ดได้หรืออในกรณีของช้างนาราคีรีที่พระพุทธเจา้าทรงแผ่เมตตาให้ ทำให้ทั้งความสามารถของเรได้เพีอยองน้อยนี่ก็การที่ช้างนาคีนั้นหายจากจากพิษสุรที่ทําให้เมาเนี่ยก็นั่นก็เป็นการยกะหนึ่งแล้วก็ทําให้ช้างนาคีนั้นไม่ต้องมาทำบาปเบียดเบียงกับพุทธเจ้าหรือเียดเดยดบียนคนอื่นนี่นะครับมันก็ได้ประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายอยันนี้ก็เป็นเรื่องของของเมตตาที่ที่ท่านกระทำอย่างนั้น ก็ได้ตลุยแลมก็เป็นเรื่องดีเพื่อกลุ่กันล่ะทีนี้ว่าถ้าเราแผ่เมตตาอย่างธรรมดาเนี่ยเวลาเราแผ่เมตตาอย่างธรรมดาเนี่ยเราเราก็แผ่อย่างกวา้างในลักษณะที่ไม่ได้เจาะจงผลเมื่อเมื่อไม่ได้เจาะจงผลเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีวิธีที่จะที่จะบิดเบือนทางเดินของของหน้าเมตตาให้มันนําเข้าไปสู่ผล อางที่เราต้องการได้มีหรือต้องการได้เป็นในถ้ า, าว่าเราเจาะจงผลไการเจาะจงผลนี่หาจะเป็นสิ่งที่เราเจาะจงขึ้นมาจากความจำปาร์ธนาของเราก็ตามหรือเกิดขึ้นมาจากความคิดเพื่อทิจารุเพราะคนอื่นเขาออกหน้าประตามเนี่ยก็ก็จะทําให้เราเนี่ยทำได้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะคือถ้าพูดให้ใจพักหน่อยขึ้นๆเนี่ยก็ชื่อว่า ถ้าเราคิดจะสงเคราะห์ใครสักคนแล้วเราแผเมตตาขณะที่มุ่งผลเอาไปพู้อื่นคนนั้นก็จะทำให้เกิดผลแก่คนนั้นนะฮะหรือเกิดพฤติกรรมที่เป็นเหตุนำมาสู่ผลที่เรามุ่งที่จะให้ถึงมุ่งที่จะให้เป็นมันก็จะเป็นเมตตาที่เข้าจุดนม่ว่าเป็นปรากทีนี้ ถ้าในคนคนหนึ่เราเพ่งจุดที่เป็นมันเป็นจุดที่เรามุ่งหวังจะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะมุ่งหวังทำไอ้ตรงจุดนั้นให้มันกลายเป็นเหตุประกอบนำไปสู่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็<ม>ใช้วิธีการแต่เมตตาไปตามไอกระบวนการ น, นั้นนะแล้วก็ทําให้ไอ้จุดมุ่งหมายเนี่ยมันเข้าจุดได้นัดมากยิ่งขึ้น ก็ดีกว่าที่ที่เราไปแผ่แบบรวมๆแผ่แบบรวมเมื่อ ม, มันก็เอกแสอันนันไม่ถูก จ, กจังหวะทีนี้ที่ที่ผม ว, ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะนํามาสูกจุดที่จะให้ทําความใจและให้ฝึกตรงนี้กว่า <c oughs> ถ้าเราเองนี่นะฮะหน้าของเราบุคลิกของเราคําพูดของเราด้วยเสียงของเรา ไอ้ขึ้นที่เราทำออกไปเป็นงานจะเป็นตัวน้งสือเป็นข้อเขียนเป็นผลผลิต้ทั้งอย่างที่ทำออกไปเนี่ยถ้าเราต้องการจะหนึ่งสัง ก, กัดหรือลบล้างทัศนคติในทางลบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนแค่เคยไปหรือเพิ่มทัศนคติในทางบวก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 เ, เอะไรก็ได้แล้วก็จ ะ, จ ะ, จะทําให้มันมีผลมีพลังเนี่ยนะมันก็มีดีดีคือการเราเรียนภาษาให้คนใจง่ายเรียกว่าปลุกเสกแต่เรืองอย่างภาษาให้มันฟังเป็นธรรมะบริสุดเลยเนี่ยก็คือว่าแผ่เมตตาเหมือนอย่างเจ้าคุณนอเวลาท่านปลุกเสกเนี่ยท่านจะไม่ได้คําว่าปลุกเสกเพราะมันฟังเป็นเรื่องหลับท่านจะเลี่ยงไม่ใช้คาว่าแผ่เมตตา เดี๋ยนี้ก็มียมใจกันีิแผ่เมตตาเวลาเปานจะปลุกเสกพระเนี่ยนะเป็ที่จะเรียกปลุกเสกต่างบอกว่าแผ่เมตตาลงไปในพระเครื่องนั้นก็ฟังดูเป็นธรรมะไปเกิดขึ้นแหละนะทีนี้ใอ้คนนี้นถ้าเราเราแผ่เมตตาลงไปในนั้นโดยอธิษฐานจิตหรือปลุกเสกลงไปก็ขอให้สิ่งอะ้รนี่มันเป็นอย่างนัง้นวันนี้นะโดยโดยธรรมเนี่ย มันก็จะทำให้สิ่งนั้นมีพลังสูงขึ้นตรงนี้คือคือหลักของการที่จะทำให้เกิดความรักต่อกัน เ, นเราโดยธรรมะเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเตี้ยบคุณต้องแผ่เมตตาให้ผมทำไมตัวนี้ไปบังคับเขาก็ยิ่งไม่แผลังาการนความโลภเกยนตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยมุ่งที่จะไปรับเมตตาเลยถึงคุณต้องแผ่เนตตาให้ผม คุณต้องรักผมคุณต้องปูกจิตาผมเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใครก็จะมานาาั่งทำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทําตัวเราเองให้น่ารักทําอวัยวะของเราตรงนี้นตรงนี้นให้มันน่ารักเรอทําไอ้ผลผลิบงานของเราเนี่ยให้มันมีคว่าน่ารักไ อ, ไอ้การทําให้มันน่ารักด้วย อาวุธีการทางกายภาพเนะี่ยเรายกไว้ไม่ต้องพูดถึงเราก็ทํามันอยู่แล้วแล้วแม้แต่ไอ้คนที่มันมุ่งยาวรัดเอาเปลือกว่าคนที่มาซือปิติพัน์ของมันหรือมาหลงรักหลงชอบหลงชมมันก็ทําได้ดีดอันนี้อยู่แหละแต่มันต่างกับไอ้คนที่บริสุทธิ์ต ร, ตรงไหนก็ต่างกันที่คนที่มีใจบริสุทธิ์พื่อธรรมะเนี่ยเขาอาจจะทําอย่างนั้นแต่ว่าเขาเขาใส่บางสิ่งบางอย่าง แค่ว่าถ้าเราเราใช้หลักอย่างเมตตาธรรมดาเนี่ยคือแค่มีความจริงใจนะแค่มีความจริงใจเท่านั้นคนนั้นไม่ไม่เคยทํามสมาธิไม่เคยแผ่เมตตาไม่รู้ว่าแผลว่ายัางไงเนี่ยมันก็ยังมีพลังตังเยอะจริงม่ดีมีพลังทั้งเยอะไม่ว่าจะเขียนไม่ว่าความอะไรออกมาทั้งนิดหนึ่งเราอ่านแล้วเราสัมผัสความจริงใจได้หรือเขาทักทายอย่างดีดีเนี่ย ให้บางคนมนี่ทักทายอย่างดีดีแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกใจที่จะรับหรืตอบรับความปรารถนาดีหรือคำเชิญชวนของของเขานะพอหรือแม้ว่าเอาบั้นควนเกิดของเราเนี่ยใครเขาอาจจะมีของของของขวัญมานี่ยเยอะแยะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกมันไม่มีคุณค่าสู้บางคนเนี่ยอาจจะดอกไม้ดอกเดียวหรือว่า อะไรเล็กๆน้อยมีต้นกำลัามากกว่าอัี้ก็ได้นะมันจะอยู่ที่ไอ้กระแสของความจริงใจหรือแม้แต่คนยินเนี่ยยกไปอย่างเราก็พูดกันมานาดบางคนนี้ยิ้มมีแหวนของความจริงใจในีสูงมากเวลายิ้มเวลาขอบคุณเวลาไอ้กระแสเนี่ยนะที่พูดคาเล็กคาน้อยออกมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีกับกับเรา ที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาหรือที่ไปรับที่ไปได้ยินได้ฟังได้พบไดเห็นเ้าเขาได้มาแต่ว่าบางคนเนี่ยเรามีความรู้สึกปฏิเสธอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งนี้อย่าไปแตะของเขาให้อย่าไปเาอาเนี่ยอะไรนะเพราะว่ามันขาดความจริงใจเราอาจจะใช้ได้กับคนโง่คือใช้ได้รับความนั้นเลยกับคนโง่บางคนหรืออาจจะใช้ได้ รับความสําเร็จในการบางค่าวชั่วระยะเวลานึ่งแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดความสาเร็จอะไรขึ้นมาเลยตรงนี้เราก็เราก็พบกันเห็นกันจริงๆในสังคมทุกวันนี้หรือเมื่อไรก็มีเหมือนกันทั้งนั้นนะอะเรานึกถึงหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูล น, นะเวลาท่านพูดอะไรแต่อะไรมังจะหนักอึ้เลาหน่อยแต่เรารู้สึกว่าน่ารักไปหมดนี้นนะสาหรับคนทั่วไป ก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นไดนิยมท่านหมดผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนนี้ก็จะพูดถึงท่านว่าเป็นคนมีความจริงใจนะพูดอะไรอะไรมาแล้วฟังแล้วมีน้ําหนักเลยถึงมาพูดคู่กับพระนักเทศใ่บางทีก็รู้สึกว่าพระท่านพูดไม่ได้ครองแต่ว่าไม่ลาท่านพูดล่ะเขาว่าท่านพูดมีน้ําหนักให้ความรู้สึกที่ดีกว่ากันเยอะเลยนี่เขาว่าผมไม่ได้ฟังฟังแต่ไอ้นี่ก็สายไปตัวอย่างนี่นะตัว อ, อย่างอย่างนี้ เป็นเมตตาแบบออกมาในโลกของความจริงใจบางระคณาธิธรรมดานี่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยริเริร่งความจริงใจจากบุคคลอื่นด้วยการสัมแปลงความจริงใจของเราสัมแปลงเมตตาของเราออกโดยโดยธรรมดาหรือโด ย, โดยอาศัยกําลังสมาธิอาศัยกําลังเมตตาสมาธิอาศัยวิธีการประุกเข้าไป มันก็จะทำให้ใหดีขึ้นจะดีขึ้นจากเด่นของใครแค่ไหนนั้นก็เป็นไปตามพื้นฐานแต่ละคนทีนี้เราก็มาคิดเนมาเริ่มคิด เ, เวลาเราเห็นหน้าหเนี่ยบางคนเราก็รู้สึกก็ไม่ใิ่ ด, ดจะตาพูดแทนกันนะใช่ไหมะไม่ใิ่ดวงตา ให้เขาไม้ตูกชะาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หมายาว่าเรามันใส่เขาเหรอกแต่มันรู้สึกว่าไม่ค่อใจเรามันไม่รับมันไม่รับไอ้ไอ้คุณค่าที่เขาแสดงออกนะหรือคุณค่าทางใบหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่บางคนเราก็รู้สึกว่าถูกาอา่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เรายกรวมเรื่องอํานาจของวิบากการรมมันมาบางตา เอาไว้เป็นรูปมันคือบางคนก็ไปถูกจะตาคนผิดก็มีคือคนที่จิตใจไม่เป็นกลางเอ่อหรือมีอํานาจของความป ก, กติเป็นเจ้าเรือนอยู่ในทางรักหรือเรื่ทงทางจังในเวลาไปเห็นเรื่องก็ถูกจิตตาผิดเก็บจิะตาผิดเลยจะไม่ถูกจะตาผิดก็่ด้วยนะเอ่อไอ้คนที่น่าจะถูกน่าจะถูกจะตาไม่ถูกไปถูกไอ้คนที่ไม่ควรจะถูกจะตาก็เลยได้รับความตัวความเดิมก่อน บางคนก็กลับตลัปัดมันเป็นในรูปอย่างนั้นอันั้นมันเรื่องของขอเอี่ยุผลในทางกรรมแต่ว่ามันก็อยู่แด้ไม่นานนะฮะไอ้ตรเนี้มันจะต้องเป็นจุดหนึ่งที่ความจริงมันจะต้องแดงออกมาว่ามันควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราจะทําแบบเมตตาเนี่ยนะ เ, ออเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับคนอื่น ในลักษณะเดียวกันนี้คือเราคือถ้าจะพูดใหมันเป็นภาษากลางเนี่ยเราเลือกเสกหน้าตัวเองได้เมตตาเสกปากตัวเองได้เมตตาผมขอเรียนแบบคำทางกลางแต่ในทางสาระเนี่ยมันหมายถึงความบริสุทธิ์ในทธรรมแล้วเราก็แผ่เมตตาใจหูคนอื่นที่เราจะไปพูดจาไปตกลงอะไรกับเขา แผ่เมตตาใส่ตาของคนอื่นเราจะเห็นหน้าเราแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เผยเมตตาใส่หน้าเขาเผยเมตตาที่ตาเราเมื่อเราจะเห็นเขาเผกเมตตาใส่หูของเราให้มันเท่าเท่าตัวเท่ากันไม่เอาเรียบกันไมายคามว่ า, าเวลาที่เราไม่ชอบคนเนี่ย เราเห็นว่าดีไหมเอางี้ดีกว่าเราอยากจะรักคนหรืออยากเปกลียดคนนี่คำถามเราเราก็ตอบเลยแค่บอกว่าเราไม่อยากเกลียดคนเราอยากจะมีเมตตากับคนทุกคนหรือไม่ได้ไม่อยากจะเกลียดถ้าเป็นทำคนที่ใกล้ธรรมะเนี่ยเรือร่อยรื้อมัดดอนนึกเรอหน้าองเห็นผลต่อธรรมะเนี่ยนะครับ เราอยากจะรักคนทุกคนเพราะอะไรเหตุของง่ายอะไรถ้าเราไปเกลียดใครเนี่ยมันเป็นทุกข์ถูกมะมันเป็นทุกข์แล้วนอกจากเป็นทุกข์แล้วไม่พอพอเรารู้สึกเกลียดแต่ภาวะจิตของเราเนี่ยมันเป็นผลทําให้คนอื่นเขาเกลียดเราไม่วันนี้ก็บุญนีน้ถึงจะปกปิดถ้าเล่นยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้งหลดุดออก ในทางคําพูดหรือทางพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหัวใจมันเกลียน่ะนั่นก็ไม่ดีนี่พูดถึง อ, อย่างที่พอมองเห็นต้นๆเนี่ยแต่ว่าถ้าในเนื่อของคนที่เชื่อเรื่องอํานาจไมตตาหรืออํานาจจิตแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเรา แ, แน่ๆยิ่งในระยะยาวมันเกิดแน่ๆ แล้วถ้าคนอทําสมาธิแล้วก็เวลาประเมินค่าอันเนี้ยเราจะรู้เลยรู้ในในใาไว้ตัวเราเลยว่าถ้าเราเปลือนใครเนี่ยนะหรือคิดร้ายต่อใครเนี่ยเราจะกลัวมากกลัวมากไม่แปลว่าไม่ไม่ได้แปลว่าเสียใครไม่ได้นะมันหรืออดใจดอีอย่เกลือนใครก็ได้ไปได้ไม่เกลือใครไปได้หมด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 เวลาคิดถึงคนด้วยความเปลี่ยนมีพลังแรง่างนั้นจริงๆผมยืนยันได้กับตัวเองว่าได้เคยประสบภาวะการทั้งสองอย่างนี้มาแล้วมันเกิดจริงๆและบางทีเนี่ยมันมีกระแส ร, ร้อน้อนกลับมาเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกในเปลี่ยนใไนะม่นคืมีพลังกว่าเขาจะรู้สึกนานหน่อยเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกในจิตมันตกจิตมันอ่อน ไม่เหมือนตอนอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่แผรสมาธิอย่างนี้จึงต้องมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของจิตหรือความรู้สึกทัศนคติของตัวเองเนี่ยสูมากสูงมากเพราะว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นไม่ดีมันก็เป็นกรรมกับตัวเองเยอะแล้วก็มีผลตอบกลับในทางทางก็เยอะเช่นเดียวกัน ในทางบวกมันก็เยอ ะ, อะมันก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าตัวนี้จะรู้สึกไา้อย่างนี้ไอ้นี่ก็ธรรมดานะครับคนที่มีศักยภาพน้อยเนี่ยทำแบบํทำบาปทาความผิดมันก็ไม่ไม่ไม่เสียหายมากแต่คนมีศักยภาพมากทําความผิดมันก็มีความเสียหายมากเป็นไปตามเงาทางตัวเป็นธรรมดา ่จะให้ท่านลองฝึกตรงนี้ดูนะเพราะนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านก็ต้องนั่สมาธิจะเป็นสมาธิแค่ไหนก็แล้วแต่รุญฐารันก็ได้ไม่ว่าท่านจะทำสมาธิได้มากหรือได้น้อยเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือได้ความรู้หรือความเข้าใจว่าการแผ่เมตตา ในลักษณะที่เฉพาะตรงนี้ทำอย่างไรแลในวันข้างหน้าถ้าหากว่าท่านมีโอกาส <c oughs> ไปฝึกสมาธิใปแก่ในตตาหรือเกิดปัญหาเกิดความต้องการในลักษณะอย่างนี้ขึ้นท่านก็จะได้นำเอาไปใช้บาบัดบัดเป่าซึ่งที่มันเกิดขึ้นในจีิตของท่านขอให้ทุกท่านนะครับที่ เการเสริมพัศนกติที่ดีให้เกิดขึ้นในผู้อื่นและจากผู้อื่นขอให้ทานั่งในทา่าที่ สภาพให้เกิดขึ้นจากผู้อื่นเพื่อทาทัศนคติที่ดีงามให้เกิดขึ้นจากผู้อื่นเพือ่อเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นอกุศล อยู่ด้วยตาของตนก็จึงเกิดกุศลกิ otro ททั้งหมดของข้าพเจ้าและขอให้เป็นผลต่อทัศนกติที่เป็นกุศลแก่บุคคลอื่นที่พบเห็นหรือได้ยิน เสียงเดินเสียงพูดเสียงขยับขยืน่นอื่นใดทั้งหมดจงเป็นอารมณะปัจจัยให้ผู้อื่นเกิดกุศลกิจเถิด กลินด้วยจมูกของผู้อื่นขอให้บุคคนอื่นจงเกิดกุศล ขึ้นออกจากสลีลานีจงถูกสำแดงออกด้วยกุศลจิตราชารูปเสมอเธอ ทำให้ผู้อื่นเกิดกุศลละจิตขึ้น บุคคลใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าจงได้กุศลจิตเกิดกุศลจิตต่อบุคคลอื่นโดยไม่เลือกนาเกิดเมตตาจิต indeed. เกิดขึ้นกับใครก็ตามจงศูนย์หายไปจากจิตสำนึกของกับพันเชาและขอให้เกิดจิตสำนึกที่บริสุทธ์ดีงามต่อบุคคลเหล่านั้นขึ้นแทนที่และสือ เนื่องยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปสำหรับบุคคลบางคน เหล่านั้นด้วยกรณีใดๆขอให้ความปรารถนาดีจงเกิดแก่บุคคลเหล่านี้ทุกเมื่อเถิดขอให้ความสงบเย็นความเข้าใจ ซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจของข้าพาเจ้าที่ข้าพาเจ้ามีทัศนคติที่ดีอยู่เมื่อนึกถึงเมื่อเห็นหรือเมื่อได้ยินหรือเมื่อได้สัมผัสถูกต้องข้องเกี่ยว เกิดประการใดด้ สัะประจาวได้อนุเคราะห์เครือกูลต่อเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ที่ดีต่อข้าพเจ้าเมื่อได้ระลึกถึงข้าพเจ้าก็ดีพบเห็นข้าพเจ้าก็ดีได้ยินเสียงข้าพเจ้าก็ดีได้สัมผัสถูกต้องข้าพเจ้าก็ดี จะโดยตรงหรือโดย อ, อ้อมขอให้ท่านจงเกิดทัศนคติท่นเป็นกุศลต่อข้าพเจ้าจงเกิดความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้า ยังยืนชั่วการนานและขอให้อำนาจเมตตาและกุศลจิตที่เกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าของท่านจงเป็นประโยชน์เกื้อกูล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 ุ น, นี้ขอให้อัตภาพของขระพเจ้าจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยความเป็นอารมณะปัจจัยแก่การรับรู้ของท่านเช่นนี้เถอ ที่เป็นกลางที่ได้เห็นได้ยินหรือได้สัมผัสถูกต้องนึกคิดขับถึงข้าพเจ้าไม่ว่าจะโดยตรงคือเห็นเองได้ยินเองได้นึกถึงเองหรือมีผู้อื่น กุศลจิตแก่ทัานและเมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นบุคคลเหล่านี้ประเหตุนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดเมตตาเกิดกุศลจิตขอให้กุศลจิตของข้าพเจ้าที่เกิด ประโยชน์เพื่อกลุต่อขบวนกา กุของผู้อื่นที่เกิดเพราะข้าพเจ้าเมื่อเห็นข้าพเจ้าหรือได้ยินเสียงได้ยิ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 คนที่เป็นคนก ล, งกลางแต่อยู่ในฐานะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยกรณีเหตุ ใ, ใดขอให้ ที่บุคคลนั้นสร้างภาพคืนนึกถึงสลีละของบุคคลนั้นนึกถึงเสียงของบุคคลนั้นและนึกถึงเสียงของตัวเองคําพูดของตัวเองเประเด็นหนึ่งว่าเราได้พูด ความปรารถนานดีคือพูดทำนองปรับความเข้าใจหรือพูดขอบคุณหรือพูดแสดงความห่วงใยญรักใครแล้วแต่บุคคลที่เราปลาลบถึงและมีคำพูดมีเนื้อความที่จะพูดกับเขาอย่างไร ขึ้นในใจอย่างนั้นโดยอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีที่เกื้อกูลต่อกัน ไปพูดไปเจราจากับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเจราจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขาหรือเจราจาเพื่อขอความอนุเคราะห์หรือเจราจาเพื่อไปอบรมสั่งสอน ที่แจงบอกกล่าวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกามให้แผ่เมตตาโดยนึกถึงบอกเขาด้วยความปรารถนาดีอันบริสุทธ์ รู้รับฟังได้ทำความรู้สึกนึกถึงผู้นั้นว่าเขากำลังเงี้ยโ ส, สัะหรือกำลังฟังอยู่ด้วยความเต็ม เพื่อกูลเราเราก็ดีให้ทรงจิตกีดกันความรู้สึกในทางต่ำเช่นความลื้อลัน้นหรือความหุนหันการเล่น อาการกระด้างกระเดือมให้ใหายไปให้กลับกลายเป็นพฤติกรรมตรงกันข้ามให้เขาฟังพบปะกกับเราจะเป็นตามที่ได้นัดหมายไว้หรือตาม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 ราสุดที่ดีนั้น